เป็นบัญญัติที่ปฏิบัติตามเพียที่แต่ละวันแต่ละเวลาแต่และชั่วโมงแต่และนาทีแต่และวินาทีเรามีอาชีพเรามีหน้าที่ให้มีความให้มีศรัทธาต่อหน้าที่ต่อจิตวดัดรวิธีวดัด เตละ ว, วินาทีละนาทีแต่และชั่วโมงแต่และเวลาแต่และวันให้สม่มเสมอมีสัทธาปฏิบัติที่อยู่เนงนิด ต, ต้องอล้รก็ยอมความสำเร็จตั้งใจไปจริงใดเพราะมีความสำเร็จนี้จรงนั่น ในโลกนี้สิ่งที่เราจะต้องทำหนะ้าที่ที่เราต้องทำหานะว่ายากมีอยู่ในตัวเรารอบตัวเราเอวกะต้องทำควมดีทุกลมไหวใจที่จึงใดผู้จึงได้ทำจึงใด ซึ่งเป็นทวารของยึดของกายของอาจาใจของเรานี่เป็นทวารแห่งการสร้างความดีและความชั่วสะดวกลัวอย่างอื่นล้วจึงไม่น่าจะจนเรื่องความดี อาชีวิต ท, ที่ไม่จนความดีความดีที่อยู่ในชีวิตชีวิตหนึ่งก็ขยายไปสู่อีกชีวิตหนึ่งต่าสภาพรจริงทั้งหลายทั้งปวงซึ่งก็เกิดจิงเป็นรอบเกิด ค, คุณประโยชน์ขึ้นมาร่วมกันรวมกันร่วมกัน ไม่ใช่ตัวเดียวตัวใครตัวมันความดีที่เกิดจากกายวาจาใจจากคิดที่เุปกตีทำดีมานี่มันประโยชน์ต่อตัวเองต่อสิ่งองื่นวัตถุอื่นต่อวัตถุอื่นต่อลกูกเอาอะไร โทั้งโลกอย่างพุทธเจ้าตรัสว่าโลตัตถ์จิริยาประโยชน์ต่อโลกพุทธัจุลิยาประโยชน์ต่อธรรมยาตตัตถ์จิริยาประโยชน์ต่อญาต ทุกคนก็มียอดที่เกี่ยวข้องหนีไม่พ้อนอย่างรอตรวนน้ำาอนเช้าสดทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกในใีภูมิทั้งสามมีในกุหน่ย้ยทั้งสี่มีขันหน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสีขันกาลังเท่าเที่ยวอยู่ในพวกน้อยพวพใหญ่ คือผู้มีผู้นต่อโลกเส้นวิดาาณตดางโอปช้าอาจารย์ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วคนก็มีพ่อมีแม่ให้เรามาอยู่ที่นี่คนอื่นก็เจียวข้องกับเราอยู่ ล, ลูกชายของพ่ของแม่เขามาอยู่เป็นนักบวชลูกสาวของเขามาเป็นนักบวชปฏิบัติธรรมนุ่งขาวถือเขามพ่อชีวอนสีเหลืองๆของผมเราออกจากบ้านจากเดือนไม่เจี่ยวคงด้วยบ้านเรื่อนแล้วก็จะหวังใจเห็นที่พึ่งหวังพึ่ง ลูกชายเขาจะเป็นคนดีลูกสาวเขาจะเป็นคนดีเราเป็นคนดีเขาก็มีความสุขเป็นผลกระทบทางที่จิตวิญญาณของอีกหลายหลยคนแล้วเราเองก็มีมีโจทย์มีนี่อย่างนี้ไม่ควรประมาณเปิดมามานั่งอยู่ที่ใดมาเกี่ยวข้อคนอื่นทั้งนั้น คอื่นช่วยเรามาทั้งนั้นเป็นตัวบุคคลเป็นคณพอ่อคนแม่ร้ายคนยาตัดจิดิยาไอ้เจอกันไม่ได้แม่แถนอกจากนั้นกับแม่เถออากาศเราหาใช้ชีวิตรอบที่เราอยู่ ยิ่งเพิกเราบริโภคกีวรมิตทาบาทเชนาสนะคีรณนาเพชัตของคนทั้งหลายเหล่าใดาเจะได้ประโยชน์จะให้เป็นศูนย์เปล่าเหมือนขนหล่อนพืชหลานเพื่อเช่นใดก็ อ, อยากได้พืชได้ผลเช่นนั้น เราไม่ปฏิบัติคิดวัดวิธีวัดหน้าที่ปฏิบัติตามธรรมวิ น, นัยแล้วก็ศูนย์เปล่าทั้งสองฝ่ายเราก็ศูนเปล่าคนดื่นก็ศูนเปล่า ไ, ได้เลยเอยไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อญาติต่อโรคต่อธรรมต่อภาษศาสนา เราจึงเป็นโจทย์ที่จะพ้องเราอยู่เดี๋ยวนี้เราทิ้งอะไรมาทิ้งลูกทิ้งเฮียมาก็มีทิ้งงานทิ้งการมาทิ้งหน้าที่การงานมาว่าจะดูดละไรจะช่วยเหลืออะไรเป็นโจทย์ตัวหนึ่งที่ทำให้เราเลย สะดุ้งขึ้นมาได้จะมาเล่นมานอนที่นี่หรือมันนอนเล่นลงเล่นไม่ได้อา จ, จะเป็นบาปมากที่สเอาเปรียบคนอื่นอาเปรียบโลกเอาเปรียบศาสนาเอาเปรียบญาติพี่นอ้องคนดื่นหลงเชื่อว่าง่าเชื่อดีอยู่ เราจะมาเล่น อ, อยู่ดีระถือเป็นไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมจริงๆพระตกระลกนีมากทายกเป็นเตะมีมากโยกาดเห็นเจอตัวถึกโยกาดเกียรติการจร่งบองแบบเป็นโจทย์ันก็อยู่ไม่ได้ ตองพิพากษาเรื่องนี้ให้ได้มันคุ้มค่าหรือ ย, ยืดตัวออกมาลูกสาวของพ่อของแม่ลูกชายของพ่อของแม่คนนี้ไม่เสียค่าน้ำนมมาได้มีความคิดแบบนี้ออกมาจากหัวใจหัวใจดึกๆสัก้กหนึ่งก็ยังดีจะได้คุ้มค่าและจะได้ทำหน้าที่ มีความดีสามารถจะแผ่เมตตาตดน้ําไม่อย่างองอาจจนมีความดีคิดดีพูดดีทำดีนั่นก็เป็นผลกระทกต่อสิ่งอื่นตอบทั้งหลายทั้งปวงว่ามีความดีเหมือ น, นกับเรามีน้ําใจมีความดีว่าออกไปทั้ง พอใจชิดึกแลทั้งใจการกระทำทั้งรายก็เป็นความดีไม่รู้จกหมดจกสิน้นเพราะมันเป็นบุญเป็นธรรมก็เกิดจากค น, คนหนึ่งก็เป็นผกโทตกตกอะไรหลายหลายอย่างกุ้งข้าแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียหนีมาบวดทิ้งงานทิ้งการมาปวด ยิงพ่อยิงแม่หนีมาบวชละอะไรหนีมาบวชคุ้มค่าแล้วไม่ฟรีจะได้ประโยชน์จากการออกบวดจากบ้านจากเดือนไม่เกี่ยวคุ้มเลยว่ า, าเดือนแล้วมีค่ายิ่งขึ้น างานของเราก็มีอย่างนี้หน้าที่ก็มีทุกโอกาสจากนี้ก็เหมาะแล้วเหมาะสมแล้วที่มีชีวิตยอย่างนี้ไม่ต้องทํามหาชินไม่ต้องรับจ้างไม่ต้องทำอะไรก็มีสิทธิไปบินธบอร์ดไม่เป็นบาปเลย มีสิธิให้คนนั่งกราบนั่งไหวมีสิทธิรับสิ่งของจากผู้ออกมาให้ <c oughs> ประโยชน์ที่เราได้ทำมันมากกว่านั้นแค่เท่านี้เราก็คุ้มค่าล้วก็ไม่อายโดยเองไม่ได้หลอกโดยเองไม่หลอกคนอื่น แล้วคสมควรแล้วอาจจะไม่สมกับชีวิตของเราโดยสัมาไปความดีเกิดจากกายจากวาจาจากใจของเราที่ได้ใช้ชีวิตมาหมันมากกว่าแล้วชีวิตของเราผิดผมดีที่เกิดจากกายจากใจของเราเป็นส่วนรวมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นส่วนตัวเลยแสดงว่าเราเกิดมามีชีวิต ถ้าชีวิตจากชีิตของเรากลายเป็นสิ่งส่วนรวม <c oughs> เห็นเพผงกระทบต่จสิ่งปะส่วนรวมนะความดีเราชีวิตของเราที่ฝุกตนสอนตนมันก็คุ้มค่าถ้าเราไม่ได้มีชีวิตนี้สิขาแปรลำเป็น การเลียงชีวิตเดิชีวิตมานะแบบนี้มันก็ไม่มีใครทบประโยชน์ออสองลัดไหวคนกราบคนไ่วได้รับทานสิ่งของได้รินธรรมา์ได้พุ่มคาดข้าวฉกดำเจงอคนอื่นที่เขาให้ยกหัวไหว้ท่วหัว นั่นเราจรึงพ้นเลิกเวลาขาส่บาตรมถึงหัวใจของเราเลยว่าอะไรต่างๆมันจากเวลานั้นตามขีปฏิบทอยพวกนีนั้นเราจะรับบิณฑบาตราโดลกูก เมื่อเราบินเทปอดละแกะเรารู้ตัวเป็นบาทเกิดอะไรที่นั่นขณะนั่น้ใจของเราว่าจะนึกคิดถึงไงจะถาปัจจัยังประวัตาาิตมือนังทานธรมแต่มเวตังจะตังมาอย่างว่าอย่างค็ดล่างสร้างสรรออกมาจากใจ ต่าผู้ให้ก็เป็นแต่าตุภูมรับก็เป็นแต่าตุเป็นแต่าแตามเหตุปัจจัยอยนิดไม่ได้ไม่ได้อ ม, ม, มีอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นผลธรรมเกิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเวลาลบเบีนตบาทต้องว่ายะถาปจัจยังในใจตามหลักขีปฏิบัตติอุปชาอาจารย์สอนว่า เราวดไดไม่ประมาทแต่ถ้าไม่ไม่มีกำลงดีเกิดขึ้นในขนาด น, นั้นก <c oughs> ็จะคิดเป็นอันอื่นไปเป็นควมรูปเกิดขึ้นที่นั่นหรความยดียินไล่เกิดขึ้ น, นที่นั้นแย่งกันได้มาเห็นเห็นถ้งบาดพานิสสินค้าขายอะไรก็ไม่ เป็น บ, บาดเวียนเทียนที่ไหนแห่งไหนกลายเป็นมิจฉาชีพถี่ระถีเกิดขึ้นมากมายถ้าใช้ชีวิตที่ผิดไม่รู้จักอ้ายไม่ได้ฝึกตนสอนตนไม่มองตนไม่ดูแลตัวเองไม่แจ้งไขตัวเองก็ไม่รู้จักละอ้ายเลยเกิดความโลภเปิดเปรตขึ้นมาแคนั้นก็ศูญเปล่าไม่มีประโยชน์เล ย, เลย ถาจึงมีหน้าที่ตามทำไม้ไหนจงปฏิบัติตามทำไม่ไหนพระเจ้าตัดเช่นนี้สอนเพื่อบวช ด, ดานจะเป็นพิชุมมังเถิดดานจงไปเพื่พิษธมตามไม่ทําไม่ไหนนั้นให้เป็นที่ท้นทุกเถิดแล้วก็มีทางอยู่นี่ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมเกิดขึ้นขณะที่ ใชกาใช้ใชจเจ็บเอาเจ็บเอาความโกรไม่เป็นธรรมอย่าไปถามความโกรธอย่าไปคิดถามความโกรธอย่าไปคิดถามความโลภความหลงผมหมอลู่สิบตัวก็ ม, มาลู่สิบตัวปฏิบรรัติตามทํามไว้หน่มีอย่างนี้สมบัติได้อย่างนี้สอนตนอย่างนี้ทุกโอกาสว่าใช้อยู่ในห้องเดียนเป็นชั่วโมงนาที แต่เราไม่ต้องจนเอนอะนี่การศึกษ า, ากายเอาใจเป็นตู้พระไตรปิฎกทั้งไม่ไหนอยู่ที่นี่เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่วนก็เกิดขึ้นดีสวรรค์นิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นเอาปันนั่นแหละ ว, วางเสียงทุกเสียงเหมือนฉั่งพระสวดมนต์ ดูคนทุกคนเป็นพู้เจ้าอยู่ที่ไหนมีนี่พคารอยู่ที่นั่นกางสีบเลรลองให้เกิดเหลิเาอย่างสม่มเสมออย่าไปจนอย่าไปจนเป็นผู้ไม่จนมีศรัทธามีความเชื่อในการอุบัติขึ้นของเจ้า เชื่อในพระธรรมที่ทำให้เกิดเป็นพระเจ้าวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบอดอกทุกปฏิบัติสมควรเอิบออกมาจากชีวิตเหล่านี่ยจะด้งอกมานี่เรามีหน้าที่อย่างนี้ออกให้เต็มที่แล้ว อ, อยู่กด้วยกันให้มีความความสนุนในส่วนรวมส่วน ร, ว ม, ว, นรวมซึ่งกันและกันอย่าคิดเป็นอื่นไปซะ แม่เราอยู่คนเรที่มีกติที่อยู่ห่างไกลกันเห็นกันเวลาทําวัดสวดมนต์เวลาฉันเท่านั้นนอกจากนั้นก็ไปคนละทิศละทางเดี๋ยวนี้เพื่อนกํนลาลังเพื่อนเราก็หลังเดินอยู่ยองโงมอยู่เพื่อนเราก็กลังนั่งบาเพ็ญสมาธิอยู่เราอยู่อย่างไรมองอะไรเนี้ยดีมองเป็นคู่แข่ง เอาจิงวันล้อมเอาเพื่อนมิตรเพื่อผู้เผื่อบิดบ้างทาเผื่อผู้อื่นบ้างพ่อแม่เราอาจจะไม่ได้ทําอย่างเราแล้วก็ทําเพื่อพ่อเพื่อแม่โตเพื่อผู้อื่นมีแต่ยงานต่ ก, การที่เราจะต้องสร้างร้อมดี ยิ่งเรามีวิชากรรมฐานตามที่พระเจ้าได้เขียเส้นไว้เป็นแผนที่ไม่จนเลยกรรมฐานเป็นอาชีพเลยให้การให้จ้าอยู่ในรูปกรรมฐานเป็นนักกรรมฐานทำฐารกับยเป็นกรรมฐานมองหน้า ม, มองชั่วนในกรรมฐานนอนเป็นกรรมฐานตื่นเป็นกรรมฐานใช้ชีวิตเป็นกรรมฐาน ทุกเวลานาทีแม่บ้านกรรมฐานพ่อบ้านกรรมฐานเกษตรกรรมฐานอะไรให้เป็นกรรมฐานที่ตั้งการกรรมมันความดีความดีมีที่ตั้งให้เกิดความดีมีที่ตั้งไม่ให้จนนี่มันก็เป็นค่าของมุติโลที่เกิดมาเวลาก็เป็นประโยชน์ก็เหลตรงนั่น เออฝืนแขวะนี่ศรัทธาอย่าท้อถอยบากบันบากบันมาใช้เงาไหลเขยยบันหลงง่าหลงนี่ความบากบันความเก่งกานี่คือความเพียนบรรทุกไม่ทุกลู่จักตัวทุกข์กา็นี่คือความเก่งกาความเข้มแข็งความศรัทธาความบากบันเอาไว้ให้หลงเป็นหลงขี้เกียจเป็นขี้เกียจทุกเป็นทุกเจเลตเป็นเจเลต มันไม่บกบัน่นมันเป็นความเกียดกันปฏิบัติอย่างเร็วได้ผลอย่างเร็วไม่ได้เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีหรือความไม่ดีก็อยู่ในชีวิตเราตลอดจนตายแล้วเราเปลี่ยนมันทุกข้างทุกเขานแเกิดความดีในชีวิตเราในปัจจุบันนี่ได้มากได้ผลในชาติปัจจุบันนี่เวลานี่ อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นเอาให้ปันนั่นยุทธของเรามีสิทติในเรื่องนี้โลยเบอร์ชนเอาไหมเธอเนี่ยเนาะสมควรเจเวลา